แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือเสขียะเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าก่อถือความนิ่งไว้เป็นมติอย่างนี้เสขียะกันจบ